พระธรรมเทศนาของหลวงปู่ขาวอนารยวัดถรำกองเพลนจังหวัดหนองบัวลำพูเรื่องก้อนธรรม พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราถือศีลก่อนศีลทาให้กายวาจาสงบแล้วจึงทําสมถะภาวนาให้จิตใจสงบคันภาวนาจนจิตสงบสงัดดีแล้วก็ใช้ปัญญาคิดค้นคว้าสกลกายนี้เรียกว่าทำกรรมฐานพระพุทธเจ้าว่าชั่มะไม่อยู่ที่อื่นอยู่ที่สกลกายของทุกคนคนหมดทุกคนก็แม่นทาหมดทั้งก้อน แม่นก้อนทมหมดทุกคนพระพุทธเจ้าว่าทำไม่อยู่ที่อื่นไม่ต้องไปหาที่อื่นมันอยู่ในสกลกายของตนนี้ดูจิตใจของตนนี้ให้มันเห็นความจริงของมันพระพุทธเจ้าว่าปัญจุปาธานักขันธาทุกขาสกลกายของเรานี้มันเป็นทุกปัญจุปาธานักขันธาอนิจจาสกลกายอันนี้ไม่เที่ยง ปัญจุปาทานคันธาอนัตตาก้อนอันนี้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ทำทั้งหลายไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์จึงว่าทำทั้งหลายก็แม่นก้อนธรรมนี้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์มันอยากจะเป็นไปอย่างใดก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันกิริยาของมันมันไม่ฟังคําเราไม่ฟังพวกเราอยากแก่มันก็แก่ไปอยากเจ็บ มันก็เจ็บไปอยากตายมันก็ตายไปสพเพธธรรมะอนาัตตาทาเหล่านี้ไม่ใช่ของใครให้พิจารณาดูให้เห็นเป็นก้อนธรรมมันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของใครทั้งนั้นมันเป็นทุกข์มันเป็นอนิจจังมันเป็นอนัตตาตกอยู่ในไตรักคนเราได้ก้อนธรรมอันนี้แหละได้เป็นรูปเป็นกาย เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายก็สมมุติทั้งนั้นสมมุติว่าผู้หญิงว่าผู้ชายว่าเด็กว่าเท่ามันสมมุติซื่อๆดอกที่จริงมันแม่นก้อนทาทั้งหมดเราเกิดมาได้อัตภาพอันดีสมบูรณ์บริบูรณ์พวกเราได้สมบัติมาดีแล้วควรใช้มันเสียใช้ไปในทางดีทางดีคือการทําบุญให้ทานรักษาศีลภาวนา ใช้มันเสียเมื่อมันยังสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่อย่าไปนอนใจเมื่อวันคืนล่วงไปล่วงไปพระพุทธเจ้าว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปมิใช่จะล่วงไปแต่วันคืนเดือนปีชีวิตความเป็นอยู่ของเราก็ล่วงไปล่วงไปทุกขณะลมหายใจเข้าออกไม่ควรนอนใจได้มาดีแล้วอัตภาพอันนี้ ไม่เป็นผู้หนวกบอดใบบ้าเสียจริตสมบัติอันนี้คือมนุษย์สมบัติมนุษย์เราเป็นมนุษย์หรือเป็นอะไรคนเหรอพระพุทธเจ้าว่าสิ่งอันประเสริฐก็ได้แก่คนบาปและบุญก็เรียกเราต้องเป็นผู้มีฮิริโอตัปปะฮิริความอายต่อความชั่วโอตัปปะความสะดุ้งต่อผลของมัน ความชั่วมันจะให้ผลเราในข่าวหลังเมื่อเราเป็นมนุษย์เราไม่ควรนอนใจอย่าให้การกินเราให้เรากินการให้เร่งทำคุณงามความดีเวลาร่วงไปชีวิตของเราก็ร่วงไปร่วงไปหาความตายมนุษย์เป็นสัตว์อันสูงสุดอันนี้เป็นเพราะเราได้สมบัติอันดีมาุพเพจกตาบุญยตา บุญกุศลคุณงามความดีเราได้สร้างมาหลายภพหลายชาติแล้วเราอย่าไปเข้าใจว่าเราเกิดมาชาติเดียวนี้ตั้งแต่เราเที่ยวตายเที่ยวเกิดมานี่นับกับนับกันอนันตชาติไม่ได้แล้วจะว่าเหมือนกันได้อย่างไรละ่ะเมื่อเรามาเกิดก็มีแต่วิญญาณเท่านั้นพอมาปฏิสนธิก็เอาเลือดเอาเนื้อพ่อแม่มาแบ่งให้ได้อัตภาพออกมา แม้กันนั้นก็ไม่มีสัตว์มาเกิดต้องอาศัยจุติวิญญาณเราต้องสร้างเอาคุณงามความดีพวกครวาดก็คือตั้งใจรับสินหศสิน 8, ในวันเจ็ค่ำ8ค่ำ14บส่ค่ำ15ห้ค่ำเดือนหนึ่งมีสีครั้งอย่าให้ขาดทำสมาธิภาวนาให้มีสติรักษากายของตนให้เป็นสุจริตวาจาเป็นสุจริต ใจเป็นสุจริตเท่านี้ละเอาย่อๆมีสติอันเดียวละบาปทั้งหลายความชั่วทั้งหลายละด้วยกายวาจาด้วยใจทาบุญกุศลให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทกระทาจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วอันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มีสติรักษากายวาจาใจสิลนห้าถ้าใครละเมิดก็เป็นบาป คันละเว้นโทษห้าอย่างนี้นั่นแหละเป็นศีลศีลคือใจบาปก็คือใจศีลอยู่ในใจบาปก็อยู่ที่ใจเหมือนกันนั่นแหละเนื่องทำบุญกุศลให้ทานรักษาศีลภาวนาอยู่แต่ใจทั้งนั้นอะไรมดอยู่กับใจสงสัยก็พิจนารณาดวงใจทาบาปห้าอย่างนี้แล้วศีลไม่มีเป็นคนไม่มีศีล คนมันชอบทำแต่บาปศีลไม่ชอบทำอยากทำแต่บาปท่านเปรียบไว้ว่าคนไปสวรรค์เท่ากับเขาวัวคนไปนรกเท่าขนวัววัวมีสองเขาแต่ขนมันนับไม่ถ้วน